แล้วสี่งให้หลวงพ่อเล่นคือพอเราทำอะไรที่ลักษณะที่ซ้ำซากจำเจกับสิ่งนั้นเป็นประจำมันจะทำให้เราไม่เกิดปัญญาทีนี้ถ้าหากว่าเราสวดหนังสือเล่ม น, นี้ทุกวันโดยที่เราไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันเนี่ยราก็ถือว่าเราสวดแบบแก้คุณทองบ้างสวดแบบงมงายบ้างก็ได้ประโยชน์น้อยนะครับ นสลมนี้ในส่วนที่เลือกมาเป็นธรรมวัตช่าเนี่ยถ้าเป็นพุทธพจน์เนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ชาติปิทุขาไปนะเปิดไปหน้า8เนี่ยคือหมายความว่าเป็นคาสอนพูุ้ทธเจ้าเนี่ยมันจะมีช่วงตั้งแต่ชาติปิทุขามาถึงตัวอเปวนามิมัสเกวรสะอ่ตรงนี้ แค้ตัวทุโขตินาทุขปเรตานี่ก็ลืมไม่ใช่ละแต่ตัวที่เป็นพุทธพุทธที่แท้จริงมันจะมาลงแค่โสเกหิตุ hi, ริเทเวหิ hi, ทุเขหิโุมนะเสหิปุเยสีหิ hi. แค่นั้นเองนะคือคือตัวพุทธพุทธคือคำสอนพุทธเจ้าจริงๆมันู่มีตั้งแต่ชาติพิทุขาเป็นต้นมาถึงอ่าโสเกหิ so hi, แค่นั้นเองหน้าหน้าสดังนั้นใน ในตัวของพุทธพจน์ท่านจะพูดถึงเรื่องตัวทุกก่อนจะทุกที่เป็นเหตุหรือเป็นผลทุกคือเป็นเหตุหรือเป็นผลอ่าจะยังเป็นสองคำตอบหนึ่งคำถามมีสองคำตอบละทุกเป็นเหตุหรือเป็นผลทุกเป็นผลนะทุกเป็นผลเพราะฉะนั้นท่านถึงเอาผลมาแสดงไว้ก่อนเพื่อจะหาเหตุ คนนั้นอริยสัตย์ถึงเริ่มต้นด้วยทุกทุกผลจะต้องทำยังไงผลที่ดีเราก็ใช้ใช่ั้ยทุกเป็นผลที่ดีหรือไม่ดีดเราใช้หรือเราทิ้งต้องดูว่ามันดีหรือไม่ดีเราใช้หรือเราทิ้งถ้าไม่ดีเราต้องทิ้งใช่ไหมแต่นี่ทุกต้องกาหนดรู้นี่เราใช้หรือเราทิ้งเราใช้อ่ะ ต้องกําหนดรู้ต้องศึกษาต้องวิเคราะห์ต้องวิจัยต้องเข้าใจต้องเรียนรู้นั่นแสดงว่าเราใช้ทุกใช่ไหมน่เพราะฉนั้นผลตรงนี้เราใช้ไม่ใช่ทิ้งเมื่อใช้ในส่วนไหนที่ใช้มาได้แล้วท่านก็ให้ทิ้งใช่ไหมส่วนไหนที่ผลเนี่ยมี2 ส, ส่วนสมมุติว่าเราเขยเา่าผลอุไม้ตกลงมาเนี่ยมันจะมี2ลักษณะ1ผลที่เสียและผลที่ดีนะ ถ้าผลที่ดีเราก็เก็บไปใช้ผลที่เสียเช่นแมลงกัดบ้างมันแตกบ้างนกจิกกินบ้างหนูจิกกินบ้างเนี่ยก็ผลที่เสียละแต่ผลที่ตกลงมาแล้วมันไม่แตกหรือเราเก็บเราใช้อะไรเก็บโดยที่มันไม่ตกกับพื้นไม่แตกเนี่ยก็เป็นผลที่ดีนะแะ้วนั้นเองก็ทําให้เราต้องมาศึกษาว่าเมื่อทุกเป็น ในทีน่นี้ทุกเป็นผลนะเป็นผลที่ดีก็คือต้องกําหนดรู้ถ้าทุกต้องได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการวิเคราะห์วิจัยและได้รับการแปลงสภาพเรารู้เพื่ออะไรเพื่อวิเคราะห์วิจัยเพื่อเอาส่วนที่ดีของมันใช่ไหมไฟถามว่าไฟในบ้านเป็นเหตุหรือเป็นผลไฟที่ใช้ในบ้านเราเป็นเหตุหรือเป็นผล เป็นผลทําให้เราอ่านหนังสือได้ใช่ไหมคือแสงสว่างเป็นผลดีนะผลเสียก็คือถึงเวลาเราขึ้นมาเราไปเปิดไฟไม่ดิดแสดงว่าไฟเป็นไงไฟเสียเดือดร้อนถึงช่างละเพราะฉะนั้นทุกความความเกิดเป็นทุกขการเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความตายเป็นทุกข ท, ทีนี้ความตายพุทธศาสนาเนี่ยได้แก่อะไร นี่ท่านนิยามต่อมาว่าความตายพุทธศาสนาได้แก่ความสุขความลำลายลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจนี่คือความตายในพุทธศาสนาแต่ความตายในโดยธรรมชาติคือถ้า4ขันห้ามันแยกแยกตัวกันเราเลยสมมติว่าตายแต่ถ้าหากว่าเรามีกายอยู่ถ้าจิตของเราแยกจากกายไปชื่อว่าเราตายหรือเราทุกข์เออฟังทันห ถ้าเรามีชีวิตอยู่ถ้ากายกับใจไม่อยู่ด้วยกัน่ะเราตายหรือเราทุกข์เราตายหรือเราทุกข์เรามีชีวิตอยู่แต่กายกับใจไม่อยู่ด้วยกันเราตายหรือเราทุกข์เ ร, เราทุกข์แต่ถ้ามันไปอย่างาเท้าบอล้วก็ตาย <c oughs> ถ้ามันไปไปม า, มาเราก็ทุกข์ใช่ไหมอ่าตรงนี้เขาเรียกว่า เพราะว่ามันเมื่อธาตุขันมันยังไม่แตกดับมันก็ไปไปมามาลักษณะที่มันไปไปมามาเนี่เองถ้ามันไปเขาว่าโสกภริเทพทุกขโทมนัสสุปายาสาเนี่ยนะก็ทําให้เราทุกข์เพราะนั้นความตายมีสองลักษณะ1นตายจากธาตุสองตายจากขันตายจากธาตุหมายถึงธาตุสีดีน้นหนูไฟแยกกันไปคนละทางตายจากขันหมายเขาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้อยู่ด้วยกัน มายความารูปกเวทนาอยู่แต่สัญญาสังขารวิญญาณมันคิดไปที่อื่นแล้วแสดงว่ามันดุจกันอันนี้จึงเป็นทุกข์นะเพราะว่าที่เป็นทุกข์ท่านบอกว่าไงความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจกายกับใจเมื่อด้วยกันเนี่ย <c oughs> ถ้ากายกับใจเมื่อดุยกันความไม่พอใจก็เกิดขึ้นอแสดงว่าใจคิดไปหาคนอื่นแล้วมึงว่ากูกูว่ามึงเนี่ยมันออกจากตัวเราไปแล้ว อันนี้ว่าประสบกับสิ่งที่คําพูดที่ไม่น่าพอใจความพลาดภาคจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ไอ้คนนี้เรารักทําไมไม่อยู่กับเรานานๆใช่ไหมอ่ะเราก็เอาใจไปไว้ที่คนอื่นละไม่ได้เอาใจไว้ที่ตัวทั้งสองกรณีเนี่ยเอาใจไว้ที่คนอื่นอันหนึ่งเราเอาใจไว้ที่คนรักสองเอาใจไว้ที่คนชังนะทีนี้สท่านบอกมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สินั้นก็เป็นทุกข์แสดงว่าเอาใจไปอยู่ที่ไหน อาไปใจไปอยู่ที่สิ่งของทั้งคนรักและคนชังว่าโดยย่อและอุปทานขาดั้งห้เป็นทุกข์นั้นทั้ง3มอย่างเนี่ยเราเอาจิตไปอยู่ที่คนรักก็ดีคนชังหรือของที่รักที่ชังก็ดีเพราะเราไปยึดว่าของสิ่งนั้นเป็นของของเรานะว่าโดยย่อคืออุปทานคือเราไปยึดว่าคนรักก็ดีคนชังก็ดีว่าเป็นของของเรามันก็เลยเกิดตัวเข้าไปยึดสิ่งนั้น โดยสรุปแล้วถ้าจิตของเราเนี่ยไม่ได้ไปยึดเรื่องของรักของชังคนรรักคนรช่งแล้วแสดงว่าเรามีมีอุปทานไหมถ้าเราไม่ยึดมีอุปทานไหมไม่มีเนี่ยเพราะฉะนั้ น, น, น, นตัวต้นเหตุที่สําคัญที่สุดเรื่องคนรักคนชังของรักของชังไม่ใช่สาเหตุสําคัญใช่ไหมเป็นสาเหตุภายนอกอยู่แต่ที่จริงแล้วสาเหตุภายในคือตัวยึดคืออุปทานอุปทานไปยึดว่าหาใจจะต้องได้อย่างใจของเรา ถ้าเห็นใจของเราเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีคนที่เรารักคนที่เราชังของที่เรารักของที่เราชังเพราะเราเห็นใจเป็นเราเสก่อนถ้าเราไม่เห็นใจเป็นเราไอ้คนรักคนชังมันก็ไม่มีใช่ไหมถ้าเห็นว่ามีเราเสก่อนจึงมีเขาอ่าเขาเป็นที่รักเขาเป็นที่ชังเพราะฉะนั้นเราจึงมาเห็นว่าเราหรือเป็นเราที่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกต่อว่ามันเข้าไปยึดไม่ได้เพราะอะไรรูปังอนิจังเพราะมัน แปรปูนเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงตลอดมันยึดไม่ได้กายนี่ก็ยึดไม่ได้ใจนี่ก็ไม่ยึดไม่ได้มันมันกายยึดไม่ได้เพราะไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงความจำความรู้สึกก็ไม่เที่ยงทั้งหมดสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงทีนี้เพราะไม่เที่ยงนั่นเองยึดไม่ได้เพราะมันมีตัวไหมไม่มีเพราะมันเป็นไม่มีตัวตนเราจึงยึดไม่ได้แต่ ทีเราไปยึดเราสําคัญว่ามีอะไรสําคัญว่ามีตัวตนนะเราก็ไปค้านกับคําสอนของไม่ใช่คําสอนพระเจ้าคําสอนของธรรมชาติแต่พุทิยาเป็นคนผู้ไปค้นพบเรามาบอกเรานะคำสอนของของทำของทุกอยู่ที่มีอยู่ใครนํามาใครนํามาใช้ก็เรียกว่าคําสอนใช่ไหมถ้าไม่ได้นํามาใช้แล้วก็กว่าก็ไม่ใช่เรียกว่าคําสอนนะตอนี้เราก็นํามาใช้ ถ้าพระพุทธเจ้าสอนเราเราเชื่อไหม ช, ชักลังเล <laughs> เราเชื่อพระพุทธเจ้าไหมเออถ้าเราเชื่อเราก็ไม่มีทุกข์้ลยใช่ไหมอันนี้เรามีทุกข์เพราะเราไม่เชื่ออา่าใช่ไหมคุณสมเกศ <laughs> เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าวันนี้เราไม่ทุกข์ขนาดนี้ราแต่นี้เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรบอกว่าร่างกายนีไม่เที่ยงนะ ไม่มีตัวนีแต่เราก็อยากจะให้มันเที่ยงอยากให้สามีกับเราอยู่กันนานๆภรรยาอยู่กันนานๆลูกเราอยู่กันนานๆแต่ถ้าทุกภริยาสามีเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงถ้าเขาอยู่กับเรานานได้ไหมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราพยายามถ้ากลับไปบ้านไม่เจอสามีเป็นไงบอกไปก็อินูแล้วนี่โอ้โหธรรมะที่ฝึกมาเจ็วันเป็นไงร่มสลายทันทีเลย เพราะเราไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าแม้แต่นิดเดียวเพราะมันกลับถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเอ อ, เออสามีหนีไปกินหนูวันก่อนแล้วเนี่ยโอ้ขออนุโมทนาสาธุยิ้มล่าเรือหัวเราะเลยนะเออฉันเป็นอิสระแล้ว ย, ยกมือไหว้าสาธุพระพุทธเจ้านั้นเราเชื่อพระพุทธเจ้าใช่ไหมกลับไปบ้านอ่ะภรรยาไม่อยู่บ้านเราไปไกลหนุ่มแล้วเป็นไง เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าธรรมะก็ที่ประเดี๋ยนักก็ล่มสลายทันทีแต่พอเราเชื่อพระเจ้าสาธุแถมบ้านให้อีกหลังหนึ่งไปเลยเนี่ยนะกูจะได้บวชอยงนี้อนี่เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างนั้นไหมคุณสมเกียรตเิเออเอเอชักไม่แนใ่ใจอันนี้คือเราไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าจนกว่าจะเอาคําสอนพระพุทธเจ้ามาสอนตัวเองให้ได้เมื่อเราสอนตัวเองได้นั่นแหละคําสอนพระพุทธเจ้าจึงเป็นคําสอนของเราเอง แต่ถ้าเราไม่ใช่คำสอนพระย้ายังไม่ได้น้อมมาฝึกปฏิบัติดังนั้นที่เรามาปฏิบัติในเพื่อที่จะมาแปลงคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นคำสอนของเราเองจนกว่าจะสอนใจเราเองสอนสอนใจเราเองได้เอออันนี้ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะกลับไปบ้านโอ้ที่ดินก็ถูกยึดของก็ถูกขโมยแต่ว่าไงถ้าเรามีถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะว่าไงผู้สังเกตกลับไปบ้านที่ดินถูกยึดของถูกลื้อขโมยหมด ถ้ า, าหัวล็อคุณงานทีเขาจะว่าไงอุ๊ยอันนี้มันบ้าไปแล้ว <c oughs> ทั้งๆ ท, ที่เราเป็นคนดีที่สุดกลายกลายเป็นคนบ้าไปเลยใช่ไหมเพราะมันไม่ไปตามกระแสของโลกกระแสของโลกคือจะต้องแสดงแล้ใช่ไหมแสดงว่ามันเป็นของเรามันตรงเที่ยงนี่คือกระแสของโลกแต่พอเราไปตามชนกระแสของทำปั๊บเขาว่าเราเพี้ยนไปเลยทีนี้เพราะว่าอันนี้มันบ้าไปแล้วนะแต่แต่ความจริงมันถูกต้องที่สุดแล้วใช่ไหม ดีเหมือนกันเราจะไปได้ไม่ต้องไปครองอะไรมากเราจะไปบวชอยู่วัดสบายเลยทีนี่นะเราคิดอย่างนี้อันนี้คือในส่วนที่เป็นเรายึดนะทีนี้เรามาดูว่าในส่วนที่ไม่ดีคืออะไรทุกในส่วนที่ดีก็คือทำให้เราได้ศึกษามันได้เรียนรู้มันเราเลือกในส่วนที่ดีขึ้นมันไฟเนี่ยมีคุณลักษณะกีอย่าง คุณลักษณะของเมื่อวานก็นเราถามว่าคุณลักษณะของสีเนี่ยมี4ีอย่างใช่ไหมที่อยากจะถามว่าคุณลักษณะของไฟมีกี่อย่างานึกออกมาไม่ต้องคิดอะใช้สันเนี่ยสามัญสำนึกใช้ขอมอนเส้นเลยมีกี่อย่างมีแค่2 อ, อย่างใช่ไหมคือ1ความร้อน2แสงสว่างแค่นั้นเอง นะไม่ต้องว่าไฟมันประกอบ ด, อด้วยธาตุอะไรด้วยแล่อะไรด้วยสมการอะไรไม่ต้องไปดื้ขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามีลักษณะ ส, สองอย่างคือในส่วนที่เป็นความร้อนถ้าเราไม่จะเป็นต้องใช้มันเกิดขึ้นแสดงว่าเป็นสิ่งจําเป็นไหมเป็นของเสียใช่ไหมเพราะเราไม่ต้องการนี่ทีนี้เราต้องการตอนไหนความร้อนเนี่ยต้องการหุงข้าวต้มแกงอแค่นั้นพอจบหุงข้าวต้มแกงปัป๊บปิดเลยแต่ละขึ้นมาที่นี่เราต้องการอะไร แสงสว่างถ้าเกิดมันร้อนเถือนนี้ปั๊บนี่เรารับไม่ได้แล้วต้องติดอะไรด้วยต้องติดแอร์เอาความร้อนมาทำเป็นเย็ยนอีกทีหนึ่งนะต้องเปลี่ยนความร้อนมาเป็นแอร์เห็นไหมอันนี้ก็คือการที่เราศึกษา เ, เพื่อที่จะเปลี่ยนมันได้เปลี่ยนมันใช้อย่างที่เราต้องการเพราะนั้นทุ ก, ทกต้องศึกษาเพราะทุกเป็นพลังงานอันหนึ่งเป็นของกลางกลางไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของเสียมันจะดีจะเสียอยู่ที่เราใช้ได้หรือไม่ได้ นะเพราะนั้นทุกต้องกําหนดรู้ถูกต้องแล้วนะแต่ว่าเราทั้งหลายทวนกระแสะพุทธเจ้าอีกเราอยากจะหนีจากทุกขอยากจะพ้นทุกอยากจะดับทุกใช่ไหมมันครือเรื่องเลยพพุทธเจ้าบอกให้รู้ให้ศึกษาให้เรียนรู้ให้วิจัยแต่เราอยากจะดับมันดับในส่วนที่เราไม่ต้องการพ้นในส่วนที่เราไม่ต้องการแต่เราอยากจะใช้ในส่วนที่ต้องการโดยแปลงความทุกข์มาเป็นแสงสว่างของญาณปัญญา ของสติของสมรยยะของสมาธิตัวนี้เป็นแสงสว่างในทวันเปลี่ยนแปลงไปเป็น <c oughs> การอุปทาน <c oughs> มันจะกลายเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าทุกข์แล้วไปเปลี่ยนเป็นอุปทานตัณหาเปลี่ยนเป็นราคะโทสะโมหะตัณหาพวกนี้มันจะกลายเป็นความร้อนทีนี้เราก็งจะไปแปลงตัวราคะโทสะโมหะนี้ มาเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาเสียมันก็จะเป็นแสงสว่างเพราะนั้นตรงลงว่าเราใช้ทุกได้ทั้งสองมิติใช่ไหมบางครั้งเราก็จำเป็นต้องใช้ความร้อนบางครั้งก็จะเป็นต้องใช้แสงสว่างถ้าเราต้องการใช้ความร้อนแต่ไม่มีความร้อนมีแต่แสงสว่างเตาเสียเตาไฟฟ้าในบ้านเสียไม่ได้กินข้าวแต่แสงสว่างมีอยู่นะหม้อไฟฟ้าก็ไม่มีนี่แสดงว่าความร้อนมีเป็นเหตุละ พ่อเรามีไม่มีความร้อนใช้ออดหลอดเสียสวิตเสียมืดเลยแต่ว่าเตาใช้ได้อยู่เตาไฟฟ้าใช้ได้อย่างนี้ตรงนี้มันเป็นทั้งในส่วนที่ว่าอันไหนที่มันใช้ไม่ได้ตัวนั้นถือเรามันเสียในอันไหนที่ใช้ได้คือว่าเป็นคุณในสิ่งเดียวกันนั่นแหละในด้านทุกท่านต้องให้รู้ให้ศึกษาเพื่อให้ได้ใช้ในส่วนที่เป็นคุณและละในส่วนที่เป็นโทษ ละในส่วนที่เป็นโทษเมื่อทุกขนั้นได้ไปเปลี่ยนเป็นตันหาตันหาต้องเป็นไงต้องละใช่ไหมอ่าเป็นสมูทัยพอทุกมาเปลี่ยนเป็นสมูทัยคือมาเปลี่ยนเป็นราคะเป็นโทสะโมหะก็เปลี่ยนเป็นความร้อนต้องละแต่เราต้องการให้มันเปลี่ยนเป็นราคะโทสะโมหะให้มาเปลี่ยนเป็นแสงสว่างคือเปลี่ยนราคะเป็นศีลมาเปลี่ยนโทสะเป็นสมาธิและเปลี่ยนโมหะเป็น ปัญญาเป็นแสงสว่างใช่ไหมนั้นการที่จะเปลี่ยนได้เนี่ยจู่ๆเราเราเปลี่ยนไฟเป็นแสงสว่างเป็นไฟเป็นกําลังของเข้าวทุบแกงได้ทันทีไหมไม่ได้เราต้องไปจ้างใครจ้างช่าง <c oughs> แต่ถ้าเราเป็นช่างซะเองเลยสบายกว่าใช่ไหม <c oughs> แสงพระอาทิตย์มันก็มีทั้งคุณทั้งโทษใช่ไหมมีทั้งคุณเพราะว่าเราเราก็เปลี่ยนมันมาใช้ประโยชน์เป็นสุรารเซลล์บ้าง ออกมาเป็นส่วนที่เราตองตากตองตักข้าวตักมันตากอะไรต่างๆนะเพราะนั้นในยุโรปแสงสว่างความร้อนก็มีคุณค่ากว่าบ้านเรามาไปเห็นเขาใกล้ๆวัดที่มาไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเขาปลูกหญ้านะเขาปลูกหญ้าขึ้นเนี่ยพอมาถึงหน้าร้อนในช่วงไหนพ่อหากว่าเขาก็ไปดูพยากรณ์อากาศว่าในช่วงนี้ฝนไม่ตกเจดวันเขาก็รีบ ตัดหญ้าตากแล้วก็รีบเก็บพอหลังจากนั้นฝนจะตกมาเนี่ยหญ้าใช้ไม่ได้แล้วก็ม้วนม้วนม้วเก็บเข้าเก็บว่าแล้วก็ทํางานอย่างรวดเร็วเมื่งกีนไม่ทันเพราะอากาศมันมีแดดร้อนๆอย่างบ้านเราเนี่ยน้อยมากนะมันก็เป็นประโยชน์ทําให้เขาได้เก็บได้เกี่ยวบ้านเราปลูกข้าวขายบ้านเขาปลูกอะไรปลูกหญ้าขาย <c oughs> คนนะ <c oughs> เทคโนโลยีมันต่างกันนะปลูกข้าวนี่มีปัญหาแต่ปลูกหญ้าไม่มีปัญหาเก็บไว้เมื่อไหร่ก็ได้นะ เขาเปลี่ยนยา่าไปเลยเปลี่ยนย่าเป็นเนื้อวัวเนื้อควายเปลี่ยนย่าเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเองก็เทคโนโลยีสูงเขาสามารถจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เรากินเนื้อกับกินย่าต่างกันไหมในแง่ของการกินไม่ต่างกันแต่ว่าย่าถูกโปรเซสเป็นเนื้อเนี่ยมันต่างละมันมีแบคทีเรียมีเชื้อโรคใช่ไม ลำพังหญ้ามันไม่ค่อยมีแล้วนี่เขาเรียกว่ามันถูกแปล เ, เรียกว่าสังขารนะเพราะถ้าหากว่าเราแปลงวัตถุดิบคือจิตล้วนๆวนคือกายล้วนๆนเป็นสังขารปั๊บเนี่ยมันก็จะมีเชื้อละเหมือนเปลี่ยนหญ้ามาเป็นเนื้อมันก็จะมีเชื้อล้นะเพราะฉะได้กินหญ้ากบว่าสุขภาพดีอากินเนื้อกับมาสุขภาพไม่ดีเพราะมันถูกเปลี่ยนจิตของเราถ้าหากว่าเป็นจิตล้วนๆนที่ยังไม่แปลเป็นสังขารจิตนั้นก็จะแปลงเป็นตัวปัญญาก็ได้ เขาเรียกว่าตัวรู้ห้าเมื่อไรตัวรู้ตัวนี้ถูกแปลถูกแปลเปลี่ยนมาเป็นอวิชชามันก็เกให้เกิดอดีตอนาคตคือเราไม่ตามรู้เราไม่รักษาตัวรู้พอเราไม่รักษาปับ๊บไอ้ตัวรู้นี้ก็จะไหลไปกับตัวอดีตและอนาคตอย่างสมมติว่ า, าตัวนี้นะ ถ้าสมมุติว่ามาเอาอ น, น้าเทเสียเนี่ยมันจะไหลเข้าขวดไหมมา น, น้ำมันเทเสีเนี่ยไหลเข้าขวดไหมไม่ไหลเพราะอะไรไไเพราะขวดมัน ไ, ไม้เปิด <laughs> ใช่ไมมันต้องไหลไปที่ไหนไหลลงซ้ายหรือขวาใช่ไหมไหลลงซ้ายหรือขวาทันที ที่จะทำงางให้มันไม่ไหลลงซ้ายและวขวาก็ต้องเปิดเอาเปิดตัวนี้ง่ายกว่าอ่ะก็ต้องเปิดถ้ามาปฏิบัติเนี่ยถ้าใจเราไม่เปิดเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อพูดไปเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรก ล, กลายเป็นความคิดความคิดเป็นอดีตอนาคตแล้วใช่แต่ถ้าสมมติว่าใจเราเปิดเปิดใจรับสิ่งที่หลวงพ่อให้มันจะกลายเป็น ไม่ไม่ลงซ้ายไม่ลงขวามันจะลงไหนลงนับปัจจุบันอ่าลงได้เท่าไหร่เก็บได้หมดมันก็ยังกระชอกอยู่ดีนะแสดงว่าขาดสติอยู่เห็น ไ, ไหมนี่คือการที่เปิดจิตลับเนี่ยเป็นปัจจุบันแต่บางคนมาปฏิบัติซ้วันเจ็ดวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมเกิดโอ้พระองค์นี้ไม่เข้าท่าเลยฉันตั้งใจจะมาเอาปฏิบัติไปอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้อะไรเลย วิพาวิจารต่หนีอาจารย์ต่อไปแสดงว่าใจเปิดหรือยังใจไม่เปิดเพราะฉะนั้นความผิดอยู่ที่อาจารย์หรือความผิดอยู่ที่ใจเรา เ, เราไม่เปิดใจใช่ไหมเราไม่เปิดใจโอ้ฝนตกมาทั้งวันฉันไม่ น, น้ำฝนไม่แต่เม็ดเดียวเลยเพราะฉันไม่อะไรฉันลืมเปิดฝาลืมเปิดฝาถังนะฝนตกเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ได้แต่เม็ดเดียวเพราะนั้นเราก็เปิดฝาถังไว้ฝนตกมาเท่าไหร่ก็ทํารังลินตกลงตร ง, ตรงนั้นนะ พราะฉะนั้นมาเองไปอยู่ห้วยสวดมันมีแทงน้ําฝนแค่สองแทงแต่ลังลินมันเสียหมดเลยเพราะชาลาก็สร้างมาหลายปีแล้วลังลินไปลังสังกสีสัง ก, ส, ส, งกสีก็สนิมกินหมดฝนตกมาไม่ได้น้ําฝนแทงก็เปล่าทั้งสองแทงเลยแทงที่สก็มีอยู่แต่ว่าประกฏมันรั่วมันร้าวเก็บน้ําไม่ได้มาทำไงโยมขึ้นไปเยี่ยม หลวงพ่อไปออจกจะเข้าห้องน้ําโยมเห้องน้ำไม่ได้เนะพราะไม่มีน้ลาลำซีลมโยมต้องไปไปข้างล่างภูเขาเนานะเราอยู่บนยอดเขาใช่ไหมเอาทําไงหลวงพ่ออยู่ไงก็เวลาจะถ่ายทียร์เขก็วิ่งลงไปข้างล่างเอาทําไมลำบากขนาดนั้นเลยไม่มีน้ําเอาทำไมไม่มีแอร์แท้งก็มีหลัางขาก็มีแต่หลังลินไม่ดีโยมก็เลยเอาตังค์มาให้เจ00บาทหลวงพ่อไปทําลังลินทั้งสองข้าง ต่อมาก็ให้ช่างมาทำรางคือสองข้างน้ําก็มีใช้ตอนนี้เวลาจะไถหนักถ่ายเบมื่อต้องวิ่งลงข้างล่างแล้วทีนี้พอฝนตกเยอะๆในสองแท้งมันก็ล้นใช่ไหมล้นทำไงท่อที่ต่อไปแท้งที่สเนี่ยเอามาก็รื้อออกเอามาทางนี้เรามาหาถังใหญ่ๆมาตั้งนี้ถ้ามันล้นสองแท้งหมดเลยให้มันลงตรงนี้เห็นไหมเราก็ได้แล้วเดียวได้เตรียมน้ําตอนนี้ก็เลยเอ า, าพักไปไว้ที่นั่น3รูปซ่อมน้ําให้ อันนั้นจะเห็นว่าถ้าเราไปอบรมงานไหนถ้าใจไม่เปิดนะี่เสียเวลาทั้งทั้งตลอดเลยนะเวันนี้นะเพราะนั้นสิ่งแรกที่สุดต้องเปิดใจกันเปิดใจคือทําไงไม่ใช่เชื่ออาจารย์เปิดใจคือรับรู้อยู่กับปัจจุบันอยู่ปัจจุบันนี้ใจเปิดแล้วถ้าสมมติว่าเชื่ออาจารย์อย่างดีแต่ว่าเวลาอ่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยใจเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใจเราไปอยู่กับอดีตอนาคตการเชื่ออาจารย์มีประโยชน์ไหม ไม่มีเพราะว่าอาจารย์บอกให้อยู่ปัจจุบันแต่เราไปอยู่อดีตอนคตรเราไม่ได้เชื่ออาจารย์เลยใช่ไหมนั้นหมายความว่าอะไรตกเข้าไปก็ไม่ได้เพราะจิตของเรามันไหลไปอยู่อดีตอนาคตเสร็จแล้วนะเพราะอะไรจึงจิตมันจึงไหลไปอยู่อดีตอนาคตเพราะมีอะไรเพราะมีอุปท า, านอสําคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นเรามันก็ต้องมีเขา เขาเป็นอดีตอนาคตัหมเป็นสัญญาเป็นสังขารอ่าเป็นสัญญาเป็นอดีตละเป็นสังขารเป็นอนาคตละเราก็ต้องกลับมาอยู่ที่ตัวเวทนาให้รู้สติมารู้แค่เวทนาเวทนาจึงเป็นรูปกับนามหวมรู้สึกทั้งกายทั้งใจเนี่ยเป็นรูปกับนามเราจึงกลับมาอยู่กับรูปกับนามแต่พอรู้จากเวทนาไปเป็นสัญญาเอเมื่อวาน คิดไปแล้วใช่ไหมเป็นสัญญาเราจะทําไงอะ่ะประตูไม่ได้ปิดที่มาในะลืมปิดประตูบ้านคิดใหญ่เลยที่นี้จะโทรไปทุ่ลัพท์ก็ถูกยืดแล้วทําไงคิดเอ้ใครจะเขา้าอันจะไปยังไงเห็นไหมสังขารลืมขึ้นได้ใช่ไหมมึงแต่งไปต่า ง, า ง, างๆนานาพอนึกขึ้นได้เลยสัญญาแล้วประตูไม่ได้ปิดเป็นสังขารกังวลใหญ่เลยที่นี้อา้าวทำไงอาจารย์ขอโทรศัพท์คืนหน่อยเอาทําไมอะ่ะจะโทรให้ เ, เพื่อนใกล้ๆบ้านไปไปปิดประตูให้หน่อยเพืนเข้าไปอ้าวประตูมันปิดแล้วนี่คุณอ๋อฉันลืมไปสัญญาเป็นไงอนิจจามั้ยอนิจจาทั้งที่ปิดแล้วเดินมาไม่ได้ปิดสัญญาอานิจจาเราเห็นไหมตัวอนิจจังก็ทํางานพราะเราไปยึดว่าความจำนั้นเป็นเรา <c oughs> มันไม่เที่ยงใช่ไหมเพราะมันลืมไปแล้วาบางครั้งนี่ยประตูออกจากบ้านมาดูปิดไม่ปิดย้อนไปดูอีกทีหนึ่งใช่ไหมเพราะ ร่างกายเราเริ่มแก่ความจำเราเริ่มเสืนะเ่อมนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยไม่ค่อยไว้ใจท่านบอกว่าเมื่อสิ่งทงหลายทั้งปวงไม่เที่ยงวิยะธรรมาสังฆาลสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแป ล, เปลงเสื่อมไปตลอดเวลาหน้าที่ของเราท่านบอกว่าอั ป, ปมาเทนาสัมปาเทถาคือต้องทำสติให้ถึงพร้อมตลอดเวลาต้องเจริญสติตลอดเวลาที่เป็นคำสั่งครั้งสุดท้ายเลยนะนะ หันทธานิพกเวอามันตยามิโวขยะวยะธรรมาสังขาราอปมาเทนะสัมปาเทธาบัดนี้บัดนี้สุดท้ายเลยนะฉันจะเตือนพวกเธอว่าไอสังขารเนี่ยไว้ใจนะมันเป็นขยะใช่ไหมมันเป็นวยะมันเป็นทั้งขยะมันเป็นทั้งวยะมันเป็นขยะคือมันเสื่อมมันเป็นวยะคือมันสิ้นนั่นหมายความว่ามันเป็นอนิจจและเป็นอนัตตา เพราะฉะนั้นตัวสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นไปอำ น, นาจของอนิจจังและอนัตตาผลออกมาจึงเป็นทุกขงังแต่พอเรามีสติบริหารอนิจจังอนัตตาบริหารอนิจจังได้ถูกบริหารอนัตตาได้ถูกทุกขังมีไหมไม่มีเพราะเราเปลี่ยนอนิจจังเป็นศีลเปลี่ยนอนัตตาเป็นปัญญาเปลี่ยนอนิจจังเป็นสติเปลี่ยนอนัตตาเป็นปัญญาแล้วก็เปลี่ยนทุกขมาเป็นสมาธิอ ความจําเราไม่เสื่อมเอไม่แต่ร่างกายมันเป็นสังขารโดยธรรมชาติมันต้องเสื่อมใช่ไหมความจําก็ต้องเสื่อมสติปัญญาต้องเสือสอเส่อมทำอย่างไรให้มันเสื่อมช้าที่สุดได้จะไม่ให้มันเสื่อมเลยไม่ได้ให้มันเสื่อมน้อยที่สุดให้เสื่อมช้าที่สุดทําไงไม่ประมาทคือบริหารออกกําลังกายทุกวัน <c oughs> อันนี้เข้าต่เตะแต่ก็เข้าประตูตัวเองเลยนะเตะบอลเข้าประตูตัวเองแต่ว่ามันสมเห็จสมผลนะใช่ไหม ว่าในเมื่อร่างกายมันเสื่อมตลอดสติปัญญาทั้งเสือส่อมสมองทั้งเสื่อมใช่ไหมแต่ถ้าเราบริหารมันทุกวันน่ะบริหารมันให้เสื่อมช้าเลือกกินอาหารเลือกใช้อากาศที่ดีเลือกการไหลเวลียนโลหิตที่ดีเลือกอยู่ในสาหารที่เหมาะสมอันนั้นเป็นการกันเตรียมสติเพราะฉะนั้นเองอาตมาเมื่อก่อนที่จะมาเข้าปฏิบัติธรรมร่างกายเสื่อมสุดเป็นโรคนั้นโรคนี้ตั้งหลายโรคนะโรคหัวใจ โรคปลายประสาทเสื่อมโรคกระเพาะโรคปูมแพ้โรคไซนัดโรคหวัดอะไรเนี่ยโอ้โหกินจมเลยพอมาเข้าใจธรรมะแล้วมันก็ริ่มรื่มไม่ใช่มันดีขึ้นนะแต่มันรู้จักวิธีแก้มันเริ่มหาวิธีแก้เรื่อยๆแก้มาเรื่อยๆตั้งแต่ปีส0ศแก้มาแก้มาจนถึงปัจจุบันนี้โรคปลยเสเจ็บทั้งหมดถามว่าหายไปรอร์เซห สิ่งที่หา ย, ยากที่สุดคือกรรมธาญาติกรรมธาญาติเราได้วิบากกรร ม, มาจากคุณพ่อคุณแม่คือโรคภูมิแพ้ลูกยืนหายหมดนะลูกข้อพ่อลูกหัวใจป่วยปัสสาวเสื่อมโรคไอไสนัดอะไรพวกนี้หายหมดแต่โรคภูมิแพ้หา ย, ยากนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นเมื่อเราประมาทมันจะเป็น ยังพูดมาเมื่อวานะพ่อไปอเมริกาเที่ยวเนี้ยทำงานมันเยอะประมาทไม่ได้ออกกําลังกายต่อเนื่องกันหลายวันไข้หวัดเออไข้ไขวัดใหญ่ลงเลยโอ้โคจะเอามันลงได้เป็นเดือนเห็นไหมประมาทนิดเดียวอะ่ะประมาทแค่ไม่กี่วันแต่เราต้องได้รับผลมันเป็นเดือนเนาวโคจะหายไอหายวัดหายจามอะไรทุกทํางานไม่ค่อยได้เรื่องเลยนะแต่ว่าก็มีคนตั้งใจอยู่นะ เราจะเห็นว่าเราประมาทไม่ได้จเจริญสติอัปมาเทนะสัมปาเทศะทีนี้มาดูอีกทีหนึ่งนะว่ารูปังอนิจจ์ทําไมไมันจึงไม่เที่ยงทําไมจึงเป็นอนัตตาเพราะอะไรคําว่าอนิจจ์กับอนัตตาสามคำนี้นะอนิจจงทุกขังอนัตตาเนี่ยสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยทั้งสามอย่างนี่คืออะไรให้มันเหลือสองอย่าง สิ่งที่แก้ไขไม่ได้เลยอ่ะที่เป็นรูปเนี่ยที่แก้ไขไม่ได้เลยคืออนิจจังและอนัตตานะแต่ทุกแก้ไขได้เพียงแต่ทําอนิจจังอนัตตาสมดุลกันบาลานกันตัวทุกขังก็หายไปแต่ทุกขังเกิดขึ้นเพราะอนิจจังและอนัตตาไม่สมดุลกันอนิจจังกับอนัตตามาจากผลสองอย่างคือการเกิดกระดับ ใครพอจะทราบว่าระหว่างอนิจจังกับอนัตตาคือความไม่เที่ยงกับความไม่มีสาระแก่นสารที่แท้จริงความแตกดับเนี่ยตัวไหนเป็นตัวเกิดตัวไหนเป็นตัวดับอ น, นิจจังกับอนัตตาเพราะต้นเขาที่สุดเนี่ยมันมาแค่สองตัวนี้นะที่เราไม่ใช้คำ ว, ว่าสารากับพลังงานน ะ, ะหรือโมเลกุลกับพลังงานโมเลกุลกับเอนิชีเนี่ย ถ้าเป็นเป็นวัตถุว่าในส่วนที่เป็นโมเลกุลคือตัวเกิดหรือตัวดับนี่พวกเราเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วนะตัวโมเลกุลเป็นตัวเกิดตัวเอเนจีเป็นตัวดับเพราะฉะนั้นตัวรูปก็ต้องเป็นตัวเกิดตัวนามก็จะเป็นตัวดับเพราะนั้นอนิจจังเป็นตัวเกิดหรือตัวดับตัวเกิด อนัตตาก็เป็นตัวดับอ่าเห็นไหมที่เราจึงบริหารการเกิดดับในในาฐานะของเป็นรูปและเป็นนามเออนี่มันละเอียดขึ้นนะทานไหมไม่ทันบอกนะมันเริ่มเข้าเรื่องกรรมฐานแนละ้วเพราะยังกรรมฐานมันเช่เรื่องง่ายเพราะมันมีศัพท์ของมันนะ่ะมีศัพท์ของมันรูปคือความรู้สึกมีรูปมีสองรูปที่ว่าเป็นวันหนึ่งรูปที่เป็นธาตุกับรูปที่เป็นขัน รูปที่เป็นธาตุหมายถึงว่าดุนก้อนแท่งของธาตุสีที่เรานั่งได้เย็นแล้วหน่อนแข็งแข้งตึงที่เราถ้าเย็นแล้นหน่อแข็งที่ตึงที่มีโดยอยู่ธรรมชาติถ้าเราไม่มีแจดจิตไปรับรู้เนี่ยความเย็นแล้นหน่อแข็งแข้งตึงของรูปอันนี้จะมีผลต่อเราไหมจะมีผลทําให้เราสูงเราทุกข์ไหมไม่มีอย่างสมมติเก้าอี้เนี่ยมันเปื่อยมันเสี่อมไปเนี่ยเราเป็นทุกข์กับมันไหมไม่ทุกข์เพราะเป็นเรื่องของมัน แต่ถ้าหากว่าขาเราเสื่อมเป็นไงขาเราพองขาเราป ỗi, ่วยขาเราบวมขาเราเกิดวบัติเหตุเราทุกข์เลยใช่ไหมเพราะมันมีอะไรอยู่พเพราะมันมีนามเพราะเรามีความรู้สึกแต่เก้าอี้เราไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันเพราะฉะนั้นขาเก้าอี้จะหักจะเปื่อยยังไงเราก็ไม่ไปทุกข์ไปรอนกับมันแต่ขาเราเปือ่อยเราหักเป็นไงเป็นเรื่องน ะ, ะเพราะฉะนั้นเพราะเรามีนามคือ energy นามนี่เป็น energy แต่รูปนี่คือเป็นธาตุเพราะนั้นนามจึงเป็นขันคือหมายถึงความรู้สึกตัวเนี่ยเขาเรียกว่าขันเป็นกองแต่ตัวธาตุดินน้ําลมไฟก็จึงเป็นธาตุได้ว่าโอ้ธาตุขันไม่ค่อยดีวันนี้ก็คือรูปนามความรู้สึกไม่ค่อยดีแต่ภาษากรรมฐานว่าวันนี้ธาตุขันไม่ดีเลยเคยได้ยินใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้น าบริหารธาตุขันน์หมายถึงบริหารรูปนามกายใจเนี่ยให้มันปกติให้มันรู้สึกสบายแต่าการจะรู้สึกปกติสบายเนี่ยมันเป็นพราะมันเองได้ไหมไม่ได้เราต้องใช้อะไรใช้ปัญญาใช้สติสมุท ญ, ญาเพราะนั้นจึงเจริญสติสมุท ญ, ญาให้มากเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วเอาบริหารเอาปัญญาไปรบริหารอะไรธาตุขันให้มันปกติตามบุติโดยธรรมชาติมันไม่ปกติใช่ไหม มันผิดปกติเพราะมันเป็นอนิจจังกับอนัตตาตลอดมันผิดปกติแต่เราจะทําให้อนิจจังกับอนัตตามันปกติต้องเปลี่ยนค่าของอนิจจังเป็นศีลเปลี่ยนค่าของอนัตตาเป็นปัญญาแล้วเปลี่ยนยังไงอ่ะอ่านี่คือเราจะต้องศึกษาละเพราะคอสนี้เป็นคอคุณตาตั้งเอาเองนะวะ่าอเปลี่ยนใจรากเป็นสูตรไรซีขาตั้งโจทย์นี้ให้หลวงพ่อหลวงพ่อต้องมาตีโจทย์นี้ให้แตกภายในเจดวัน ถ้าคนไหนตีโจดนี่แตกต่างของพ่อคนนั้นก็ได้เป็นไงดวงตาเห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วสติสัมยักก็จะคงที่ใช่ไหมพอสติสัมยักคงที่ปัญญาเป็นไงเกิดตลอดไหมเมื่อปัญญาเกิดตลอดบริหารธาตุขันเป็นไงสบายแล้วกรทุกมีไห ม, มทุกก็ไม่มีละนี่คือผลของมันว่าทําไมถึงมาปฏิบัติเพื่อมาสร้างสติสัมยักให้มากที่สุดเพราะสติสัมยักเป็นเชื้อเพลิงของปัญญา ที่เราเห็นแสงสว่างมันจะต้องมีเชื้อเพลิงใช่ไหมสติสัมยะก็เหมือนถ่านเหมือนแก๊สเหมือนเตาไอตัวที่เราใช้ความร้อนความแสงสว่างของมันก็คือตัวปัญญาที่เราต้องใช้เพราะนั้นเราใช้เราบอกโอ้เจรินสติสมยะเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วปัญญาไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่เป็นแสงสว่งางบ้างใช่เป็นความร้อนบ้างแล้วเราจะใช้ส่วนไหนของมันบางครั้งเราก็ไปใช้ความร้อนบางใช่ก็แสงสว่างแต่ว่าสติสัมยะต้องมีมากพอเพราะมันเป็นเชื้อเพลิงพอไปเป็น เป็นซอสนะคือเป็นแหล่งพลังงานที่เราจะต้องถ้าเป็นไฟฟ้าก็เป็นแบตเตอรี่ใช่ไหมแบตเตอรี่เป็นที่แหล่งพลังงานขนาดใหญ่นะที่จะต้องเก็บสังสมไว้ตลอดเวลาต้องสเตนบายไว้ขาดไม่ได้เพราะนะั้นตัวสถิติจะต้องต้องสแตนบายไว้ตลอดเวลาแล้วปัญญาจะใช้ตรงไหนก็กดปุ่มปับ๊บใช้ได้เลยใช่ไหมไฟไฟดับเนี่ยแอร์คุณสแตนบายไว้ก็ไม่ได้ละ คุณจะไปกดปุ่มเท่าไหร่มันก็ไม่เวิร์กละนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติล้วนๆเลยนะแต่เนื่องจากว่าเราไม่ค่อยศึกษาไม่ค่อยกําหนดรู้ในทุกขเราไปเป็นทุกข์เสียนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพราะมันมีเราจึงเป็นทุกข์แต่ถ้ามีลูกกับนามเป็นทุกไหมคุณลูกคุณนามเป็นทุกไหม หลวงพ่อทักใครมันรูปมันนามทั้งหมดนันะถ้าว่าคุณสมเกียติเป็นทุกข์ไหมก็จะรู้ว่ารูปนามของคุณสมเกียจใช่ไหมเขาว่าสมเกียจเป็นอะไรเป็นสมมติมอ่ารูปเราจะใช้ต้องใช้สมมติแต่ถ้าเราจะใช้นามเนี่ยเราก็ใช้ปรมัดหลวงพ่ อ, อทุกรูปทุกนามให้รู้สึกตัวเนี่ยหลวงพ่อเจาะจงใครไหมไม่เจาจงหมายถึงคนทุกคนเพราะฉะนั้นรูปนามจึงได้แก่คนทุกคน เออเข้าใจนะเข้าใจไหมน้องทําท่าจะหลับอยู่เลยเข้าใจไหมเ <c oughs> ข้าใจอดังนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะที่จะใช้สัของเขานี่นะเพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องถ้าเราไม่ยอมใช้สัมเขาเราก็พูดกันไม่รู้เรื่องมันเป็นปลามัดทั้งหมดเพราะนั้นปริญญาตรมจําเป็นตรงนี้จําเป็นตรงนี้แต่เราก็พยายามที่ทําความศึกษาแล้วเข้าใจเอาว่าทํามคัมภ พ, พูดถึงธาตุมาถึงดินน้ําลมไฟ ว่าทำไมไม่พูดถึงน้ำหลงไฟมันไม่รวมพอพูดถึงธาตุนะมันเป็นบุรการรวมกันเลยใช่ไหมหลวพอหยิบขึ้นมาอันหนึง่งเพราะว่าธาตุอันนี้ก็ธาตุอันนี้ก็ธาตุอันไห น, ท, น, น, ท, น, นที่เป็นปรามัทิตย์มันจะเป็นอันเดียวกันทั้งหมดคือธาตุแต่พอเป็นสมมุติแล้วอันนี้ได้แก่อะไรหนังสืออ่าถ้าหนังสือถามต่อไปหนังสืออะไรก็มาแยกเป็นสามัญญน า, าวมวิสามัญน า, าวอีกใช่ไหมสามัญนาวมันก็คือหนังสือ วิสามัญน า, ามก็คือหนังสือสวดมนต์เน่แยกออกไปอีกก็แยกสมมติก็แย ก, ก, แยกออกไปหลายสมมติเลยนะอ่ะอันนี้คือความสับสนของภาษาหนังสือสวดมนต์ถามว่าแล้วของใครเป็นอะไรเป็นเจ้าของอะไรใช่ไหมอ่ะเป็นอุปทานละเพราะฉะนั้นในตัวสมมุติดึงทิ้งหนีอุปทานมาได้เพราะอุปทานต้องมีเจ้าของถ้าหลวงพ่อเอาหนังสือไปฉีกเล่น ยูพูดจะว่าไงเป็นเรื่องแล้วใช่ไหมคุณตาก็ต้องไปฟ้องศาลตำรวจตัดสินว่าหลวงพ่อมีความผิดนะอนนคดีโลกก็เกิดขึ้นนล้นท่นานจะเห็นว่าในเรื่องของการปฏิบัติถ้าเราเข้าใจหลักๆว่าตั้งต้นเสมอว่าความรู้สึกตัวนะแล้วต่อไปความรู้สึกตัวนี่มันจะขยายไปเป็นอะไรบ้างขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของแต่ละคน ถ้าเรามีระดับสติปัญญารู้สมมติมากแค่ไหนเราก็จะขยายใช้ตัวปรมาณ์คือนามได้มากเท่านั้นอามาไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าอามาก็ต้องไปจ้างช่างไฟฟ้ามาจ้างช่างไฟฟ้าที่ไรเสียงเงินทุกทีหลวงพ่อก็ต้องไปหาเงินเอาเป็นผ้าหาเงินไม่ได้เป็นอบัตยุ่งสมยุ่งกับปรมาณ์อีกแล้วใช่ไหมอา้าวทำยังไงอะ่ะเนี่ยมันก็ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วทีนี้ ถ้าพระไม่มีเงินใช้พระก็ใช้อะไรไม่ได้อาโยมจัดการให้ที่บางวัดไม่มีโยมมาสนับสนุนจะทำไงพระก็อยู่ไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นสมมุติเรื่องใหญ่หลวงไปเลยทีนี้ทีนี้เราก็มาใช้ปัญญาว่าจะทำไงว่าใช้ของได้ด้วยแล้วก็ไม่ผิดอาบัติด้วยเนะี่ยมันก็เกิดปัญญาขึ้นมานะดังนั้นเราจาเป็นอย่างยิ่งจะต้องบริหารสติสัมชัญญะเนี่ยให้เป็น ชีวิตจิตใจถ้าหากว่าเราไม่เจริญสติสมญญาให้เป็นชีวิตจิตใจแล้วเราจะหลีกเลี่ยงความทุกข์ไม่ได้เลยเหมือนกับเรารู้ว่าไฟในบ้านมันต้องมีไม่มีเกิดอุบัติเหต์วันใดวันหนึ่งเพราะฉะนั้นทางการเพื่อความปลอดภยัยทางการอาคารตึกไหนถ้าไม่ติดถังดับเพลิงเป็นไงในเมืองไทยไม่เป็นไรแต่ในเมกาไม่ได้ คุณต้องปิดถังดับเพลิงเอาไว้เพราะนเมืองไทยเราไมนก็เห็นคุณค่าของชีวิตเท่าไหร่คุณม่ายก็ม้อยไปคุณตายก็ตายไปแต่ในประเทศที่เขาจเจริญเขาเห็นคุณค่าของชีวิตแค่ไม่มีอากาศหายใจบริสุทธิ์เนี่ยเขาเป็นเรื่องแล้วเดือดร้อนไปทั้งโลกแต่เราทําลายอากาศหายใจทํำลายป่าไม้ภูเขาเป็นเรื่องธร ร, าา ร, รมารดาเผาป่าให้มันเกิดอากาศเสียขึ้นมาคุณภาพคนเขาก็ตกต่ําเพราะเราไม่มีปัญญาละเห็นไหมมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะ ดังนั้นเองเราก็จึงรลุนหลให้คนเจริญสติมากๆเจริญสัมผัสใช้ยากมากๆเพื่อจะให้เกิดตัวปัญญาแล้วปัญญานีมาบริหารจัดการสิ่งที่เป็นธรรมชาตินี่ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตชีวิตเราก็จะมีคุณค่าแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสติไม่เจริญสติไม่เจริญปัญญาแขมไปทําลายอีกใช่ไหมทำลายสติสัมญาด้วยวิธีการยังไงขิเลา่าสุปลีติดยามาติดยาขยานันติดยากระตุน เป็นเหตุทำลายสติสัมปชัญญะทั้งนั้นเลยแต่ธรรมานปุอกายเป็นสินค้าสาคัญของประเทศเพราะเราเห็นแก่ได้ไม่ได้เห็นแก่ชีวิตเราเห็นแก่ตัวเราไม่ได้เห็นแก่คนอื่นประเทศเราจึงได้พัฒนาด้วยประกาศและชนีหมดเวลายังไม่หมดนะอีกานันี <c oughs> เพราะฉะนั้นเองขอให้เราตั้งสติสัมปชัญญะภายใน3าวันเจวันเนี่ยให้ต่อเนื่อง เพราะมันสำคัญมากเพราะเราออกไปบ้านเนี่ยเราไม่ได้มานั่งทำอย่างเงี้ยใช่ไหมสักชั่วโมงลนึงก็ยากอะ่ะเพราะนั้นต้องบริหารสติ ส, สมญาให้เกิดขึ้นทุกเวลานาทีทีเดียวเพราะมันทาแต่ทำให้เป็นนะถ้าคุณทำไม่เป็นไปไงเครียดเาปวดหัวไม่ไหวนั่นแสดงทำผิดละแต่ทำไปรู้สึกสบายเบิกบานแจ่มใสรู้ตื่นเบิกบานแจ่มใสอันแสดงว่าถูกต้องลว ทำไปแล้วมันไม่รู้สึกรู้ตื่นเบิกบานแฉ่มใสแสดงว่ามันจะต้องผิดขั้นตอนทางใดทางหนึ่งต้องรีบหาสาเหตุถ้าคุณปล่อยไว้หลายวันเนี่ยคุณก็เป็นไงปวดหัวละเครียดต้องหาสาเหตุทันเอ๊ะทำไมวันทำนี้ทําแล้วมันเครียดมันตึงมันไม่สบายเลยหลวงพ่ อ, อแสดงว่าคุณไปยึดตัวรู้ว่าเป็นตัวตนตัวรู้ก็คือตัวรู้ใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าเป็นรู้ยึดตัวรู้ให้เป็นตัวตนเมื่อไหร่ทุกข์ละใช่ไหมหมายความตัวรู้หมายความว่ า, วามันเกิดแล้วมันกระดับ มันเกิดแล้วมันก็ดับถ้าไปยึดเป็นตัวตนปั๊บมันเกิดเราไม่ยอมให้มันดับอ่ะรักษาตัวรู้วตลอดเวลาใช่ไหมประคองตัวรู้ตลอดเวลารู้เนอโยกหนออะไรเนาะนานๆเข้ามันโอ้โหไม่ไหวแล้วเครียดอะดื่มแล้วก็แล้วไปตั้งสติใหม่ดื่มเลือก็แล้วไปตั้งสติอันนี้ถูกต้องและเพราะอะไรมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับแล้วก็ทําให้มันเกิดมันก็ดับไปลักษณะบริหารการเกิดดับมันกลายมาเป็นอะไรเป็นเป็นปัญญาไฟมันต้องมีเปิด ต้องมีปิดมีเกิดแล้วมีดับไฟเปิดไว้ทั้งวันไปไงเครื่องร้อนไหมเสียสสดงเยอะๆดับแล้วไม่เปิดไปไงเข้าห้องไม่ได้มืดเห็นหมเกิดนานก็ไม่ได้ดับนานาแต่เกิดในยามจำเป็นที่ต้องใช้ดับก็ในยามจำเป็นที่ต้องใช้มันเกิดมาดับในกรณีที่เราไม่ต้องใช้ไปไงผิดปกติละอ่าผิดปกติเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ เปิดก็เปิดได้ต้องใช้ปิดก็ปิดได้ลักษณะนี้เรียกปกตินะดังนั้นเองการบริหารความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจึงบริหารได้ทั้ง6ระบบระบบที่หนึ่งคุณอย่าหายใจทิ้งแต่ละเวลาตามรู้ให้มากทีุ่ดเท่าที่รู้ได้คนส่วนใหญ่หายใจทิ้งใช่ไหมเอาคืนไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนค่าลมหายใจให้เป็นอะไรเสมอ ให้เป็นสติสมาธิปัญญาได้เสมอสองลมหายใจในส่วนที่เข้าออกโดยธรรมชาติสองลมหายใจที่ประยุกต์ใช้เช่นอีโบซียืนเดินนั่งนอนเป็นธาตุลมมันหนึ่งใช่ไหมถ้าหากว่าเราเป็นลมเราจะเคลื่อนไหวได้ไหมเขาว่าเป็นลมนี่แปลกนะใช้ภาษาถูกไหมเป็นลมถ้าเป็นลมมันต้องใช้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลมแล้วร่างกายนี่ใช้ไม่ได้เลยแสดงว่าเป็นลมหรือเป็นอะไร มันไม่เป็นลมแล้วนะเรียกว่าลมไม่มีถ้าลมมันใช้ไม่ได้มันไม่เป็นลมละลมมันตายมันไม่เป็นเพราะนั้นเขาว่าลมตายไม่ใช่ลมเป็นหรือเป็นลมลมมันตายแล้วก็เป็นลมแน่นิ่งสรุปแน่นิ่งไปเลยเป็นลมเหมืองนดังนั้นเราก็ต้องบริหารถ้ายืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวเนี่ยนะแล้วก็บริหารลมส่วนย่อยภาพตา อ่าปากหายใจเหลวซ้ายไหลขวาเป็นธาตุลมเพราะธาตุลมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นธาตุรู้ได้ง่ายธาตุดิดนก็เปลี่ยนเป็นธาตุรู้ได้ยากธาตุน้ําก็เปลี่ยนเป็นธาตุรู้ได้ยากแต่ธาตุลมหรืออากาศาธาตุเราจะเห็นว่าคําว่าอากาศาธาตุกับวายโยาธาตุเหมือนกันหรือต่างกันอามีประเด็นแล้วขอให้คําตอบหน่อยอากาศาธาตุกับวายโยาธาตุเป็นโครธาตุหรือธาตุเดียวกัน คุณสมเกียรติอ่าคุณต้องถามคุณบ่อยๆเพราะคุณเรียนมาเยอะระหว่างอากาศาธาตุกับวายุธาตุเป็นธาตุเดียวกันหรือคนละธาตุใช่ไหมโยมเฮ้วันนี้ลมไม่ดีเลยใช่ไหมโอ้วันนี้อากาศไม่ดีเลย เขาว่าอารมณ์ไม่ดีกับอากาศไม่ดีต่างกันไหมต่างกันยังไงถ้าคุณนั่งอยู่ที่เนี่ยเขาเอา้านมันมาอยู่ใกล้ๆนี่นะเหม็นชึงเลยทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีลมนะแต่เหม็นชึงเลยนั้นแสดงว่าอากาศไม่ดีอากาศเสียใช่ไหมแต่ว่าที่ลมดีได้เกิดพอดีมันไม่พัดมาทางนี้มันพัดไปทางโน้นลานมันอยู่ใกล้ๆก็ไม่เหม็นใช่หมลมมันพัด เอาอากาศนั้นไปเพราะฉะนั้นลมกับอากาศเมื่อใดอากาศเปลี่ยนแปลงมันกลายเป็นลมเมื่อใดอากาศไม่เปลี่ยนแปลงลมกลายเป็นอากาศเป็นอัญเมันยับปัจจัยซึ่งกันและกันนะเพราะวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแสดงว่ามีลมพัดผวนพันผวนนะแต่ว่าในแง่ของธาตุแล้วเนี่ย ดินน้ำลมไฟไม่มีอากาศเลยใช่ไหมแต่พอการทำงานของดินน้ำลมไฟในสมดุลพอดีมันมีอากาศอากาศาธาตุและวิญญาณธาตุตามมาเพราะฉะนั้นลมต้องเปลี่ยนเป็นอากาศมันถึงจะไปเป็นตัวรู้ได้ถ้าคุณไปติดไฟในที่ไม่มีอากาศติดไหมไม่ติดแต่คุณไปติดไฟในที่ไม่มีลมอาจจะติดนะ แต่มีอากาศนะแต่บางทีคุณติดไฟที่มีลมคุณจุดไม่ติดนะใช่ไหมเพราะลมเป่าดับนะแต่อากาศมันทำให้เกิดออกซิเจนก็ไปทำให้ไฟติดเพราะนั้นในตัวอากาศที่เราใช้คือออกซิเจนเราไม่ใช้คำว่าวินใช่ไหมเราไม่ใช้คำว่าวินแต่เราใช้คาว่าออกซิเจนคือตัวอากาศวินหมายถึงไวน์โยออกซิเจนหมายถึงตัวอากาศ เพราะฉะนั้นตัวอากาศธาตุที่ทําให้เกิดไฟชั้นใดก็ดีอากาศธาตุทำให้เกิดตัวรู้อากาศธาตุวิญญาณธาตุตามมาเพราะฉะนั้นจากธาตุสี่กลายเป็นธาตุหเราจึงมีตัวรู้ตัวรู้จึงเกิดจากอากาศธาตุและวิญญาณธาตุตามมาในตัวเรานี่ถ้าสมมุติการสมดุลของธาตุสีไม่ดีปั๊บอากาศมันก็ดีก็รู้สึกตัวก็ไม่ดีละจำจำดืมๆมรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างหลงหลงดืมๆมแสดงว่าธาตุทั้งสี่เนี่ยไม่สมดุลกันละ เพราะนั้นตัวนี้ก็จึงรูปกับนามจึงเป็นอัญญย่มัญญยปัจจัยคืออาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นความสมดุล น, นั้นเราจึงต้องใช้สติสัมปชัญญะปัญญาเข้ามาบริหารกฎของการเปลี่ยนแปลงคืออนิจจ์และเข้ามาบริหารกฎของอนัตตาให้เป็นปัญญากฎของอนัตตาที่เป็นปัญญาหมายความเราต้องควบคุมมันได้แต่ถ้ามันเป็นอนัตตาควบคุมได้ไหม เป็นคับบัญชาไม่ได้ <c oughs> ดังนั้นตัวความไม่มีตัวตนหรืออนัตตาเนี่ยมีสองลักษณะถ้าลักษณะธาตุเราก็าไปย่อยนะจากแก้วไปเนี้ยคุณอาไปลงเข้าลงบทย่อยให้เป็นฝุ่นเลยยังได้ใช่ไหมเพราะไม่สามารถจะคงรูปตัวได้ตอนแรกมันเป็นรูปของแก้วพอเอาไปบดกลายเป็นรูปของผง นี่เขาเรียกว่าเป็นอนัตตาคือมันเปลี่ยนแปลงสลายตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีรูปที่แน่นอนแต่พอเอาผงนี่ไปเผาไฟมันกลายเป็นขี้เท้าเป็นฝุ่นอ่าอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าอนัตตาในแง่ของสมมุติในแง่ของสมถะแต่อนัตตาในแง่ของปรมัตคุณจะไม่ให้แก้วนี่ไม่แตกเลยถ้าตกมาให้มันแตกเลยเนี่ยได้ไหมไม่ได้ตกแล้วต้องแตกนั้นคือเรียกว่า หน้าตาในแง่ของปรมัติตคือตกลทั้ทงแตกค <c oughs> วบคุมไม่ได้นะร่ <c oughs> างกายของเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายเพราะมันเป็นหน้าตาแต่จิตของเราเนี่ยมันดับไปแล้วทำให้มันเกิดอีกได้ไหมได้เพราะมันไม่ใช่อนาตตาเป็นอะไรอะอยากไปไหมเพราะ <P aper> มันไม่ใช่รูป เพราะรูปนี้ต้องเป็นเนี่ยมันต้องแตกใช่ไหมแต่มาจับเงามันโยนเนี่ยพงเนี่ยไม่แตกนะเพราะมันไม่มีรูปชันใดก็ดีเราต้องแปลงตัวอนัตตาตรงนั้นให้เป็นปัญญาให้มันเป็นนามเพราะอนัตตาเป็นรูปต้องแปลงให้เป็นปัญญามันถึงจะเป็นนามมันจึงเป็นนามาตตาแต่อนัตตามันต้องเปลี่ยนแปลงเป็นรูปบ้างเป็นไม่มีรูปบ้างมันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาตามกฎของไตรลักษณ แต่ถ้าหากความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นนาล้วนๆมันจึงไม่แตกดับมันควบคุมได้ช่วงไหนเราต้องการให้มันเกิดก็เกิดได้ใช่ไหมแต่ช่วงไหนไม่ต้องการให้มันเกิดเราก็ดับมันได้แต่ถ้ามันเกิดเองดับเองเราใช้ได้ไหมความรู้สึกตัวที่มันเกิดเองดับเองใช้ได้ไหมอ่าอ่าอ่านี้ข้อสอบคุณสุธีความรู้สึกตัวที่มันเกิดเองดับเองเราใช้มันได้ไหม ยากไปหรือเปล่าคุณตาเป็นนักเรียนเก่ามาหลายสำนักแล้วต้องตอบได้ความรู้สึกตัวที่มันเกิดเองดับเองใช้ได้ไหม <c oughs> ไม่ได้เพราะเป็นอนัตตามันเกิดเองดับเอง <c oughs> แต่เมื่อได้เราเปลี่ยนให้มันเป็นปัญญาเราใช้มันได้ใช่ไหมมันไม่เป็นรูปมันเป็นนามเราใช้มันได้ต้องการเปิดเมื่ อ, อไรปิดเมื่อไรแต่เราจะใช้ได้ต่อเมื่อมันมี กำลังของสติสัมิญยะที่คงที่แล้วแต่ถ้ากําลังสติสมิธยะไม่คงที่ก็เหมือนไฟฟ้าไม่มีแหล่งที่มาเปิดเท่าไหร่มีแต่สวิตไม่มีไฟออกเสียทีนี่เพราะแหล่งที่เก็บไฟไม่มีเพราะฉะนั้นสติสมัญยะก็คือแหล่งที่เก็บกําลังของปัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องชาร์จตลอดเวลาไง ย, ยิ่งคนไหนยิ่งใช้ปัญญามากก็ยิ่งใช้มากคนไหนยิ่งใช้มือถือบ่อยวันหลายครั้งคุณต้องเสียบชาร์จบ่อย ใช่ไหมต้องขยันชาร์จแล้วคุณมือถือคุณมันจะเวิร์กการที่มาใช้มันเป็นปัญญาแล้วใช่ไหมเข้าใจไหมทีหนูเข้าใจได้ไหมที่หนูพ่อพูดเนี่ยไม่เข้าใจบอกนะที่อยากจะย้ําเรื่องนี้ตั้งแต่แรกถึงมันจะยากแต่เพื่ออะไรเพื่อเห็นความสําคัญความรู้สึกตัวเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนมันใช้มากขนาดไหนเพราะฉะนั้นคุณก็จะขยันเก็บมันยังไงเพื่อเห็นว่ามีความสำคัญคุณก็ต้องขยันเก็บขยันชาร์จไว้ตลอดเวลา นะถ้าไม่ชัไ ว, ว, ว้ตลอดเดี๋ยวก็แบตหมดเดี๋ยวแบตหมดถ้าเราไม่เจริญสติตลอดเดี๋ยวก็ปัญญาหมดเขาเรียกว่าคนไร้ปัญญาเขาด่าเราเนาะ<ม>คุณทำอะไรไม่มีปัญญาเลยโอ้มันโมห์ก็นม oh, ม้าโมโ oh, หเพราะเราไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเชื่อมันไว้อ่ะนะคุณไม่มีหัวแล้วไม่มีปัญญาแล้วไม่มีความคิดแลถูกด่างี่เราเจ็บใจมากเลย แต่ถ้าเรามาดูตัวจริงๆเราไม่น่าเจ็บใจโอ้จริงๆเพราะเราไม่เคยเจริญสติเลยนะพอเราเจริญสติมากๆเนี่ยโอ้ปัญญาก็เกิดให้เห็นแต่ละดเวลามันเป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นเหตุเป็นผลว่าตัวสติปัญญานั้นจึงเป็นเหมือนรังเพลิงของอตัวสติสัมยาจึงเหมือนรังเพลิงของปัญญาแต่ตัวสมาธินั้นหมายความว่าสติสัมยามันคงที่ได้เต็มได้เต็มรอบเต็มส่วนของมัน นะสติสมรยะที่ไม่เต็มรอบเต็มส่วนเขาเรียกว่ามันเป็นสมาธิไม่ได้มันก็จะไปเซ็ตอัพให้เป็นปัญญาไม่ได้เหมือนกันตัวสมาธิคือความเต็มรอบเต็มส่วนของความรู้สึกตัวผมเจริญความรู้สึกตัว ต, วตวลอดเวลาแต่ทำไมผมปัญญาไม่เกิดเพราะคุณทําแล้วคุณเก็บไม่ได้มันไหลมันรั่วไหลมันก็ไม่เต็มสักทีหนึ่งใช่ไหมปัญญาตัวนี้ต้องใช้ความร้อนแรงของปัญญาถึงสามพันแรงเทียนสมมตินะคุณก็ต้องสั่งสมแรง ไฟเนี่ยให้มันมีความเร็วถึงสามพันแรงเทียนต่อวินาทีไฟคุณที่สว่างนะเหมือนกันปัญญาคุณจะแหลมคมและลึกและเร็วมากเพราะสติสัมยังขคุณเต็มรอบเต็มส่วนเรียกว่าสมาธิถ้าหาสติสัมยะไม่เต็มรอบเต็มส่วนเ ร, เรียกว่าสมาธิไม่ได้สมาธิก็ยังอ่อนอยู่เอ้คนนี้นั่งสมาธิดีเหลือเกินนิ่งมากเลยนะแต่ไปทําอะไรเหลือๆเหลือหาอยู่เลยเลยแสงสมาธิแบบนั้น มันมีแต่โครงแต่ไม่มีตัวกําลังของสติสมญายอยู่เลยอ่าบางคนเจริญสติไปกระเปะกระปะอยู่เนี่ยบางคนสติสมญายเสียไปเลยอ่ะทําสมาธิมากจนจิตมันอ่อนคือไปแช่ในสมาธิจนกําลังสติสมญายเสียหมดเลยมาเพิ่งเจอไม่กี่วันนู้นน่าสงสารมากว่านั่งสมาธิมาหลายปีแล้วแต่ทําไมคุณเป็ น, ปนแบบนี้ไปได้เพราะไปติดสมาธิไปแช่ในแช่ในความสุขสติสมญายเลยอ่อน พอเสด็จเจ้าอ่ อ, อนสมาธิหมดกําลังกลายเป็นคนมีแต่ตัวอะไรตัวขาดตัวเลอะเลือนไปเลยแต่ทําสมาธิม า, มากๆแต่ไม่มีสติไม่มีสัมมาสติไม่มี ส, มสมัมส ม, มาสมาธินะทั้นั้นเองในแง่ของเทคนิคก็ต้องอาศัยความถูกต้องแม่นยําในการทําต้องครบพร้อมไปด้วยกันตัวสมาธิจะเกิดได้เมื่อตัวสติสมัมยะมันครบรอบ เราก็มาเจริญสัมมาสติมันถึงจะไปเป็นสมาสมาธิได้แต่มักมีองค์แปดมาเริ่มด้วยสัมมาสติใช่ไหมถึงจะเป็นสมมาสมาธิถ้าเป็นสัมมาสติมันพร้อมด้วยสัมปชัญญะแต่ถ้ามันมีสัมปชัญญะไม่ใช่สัมมาสตินะดัง น, นั้นเมื่อจะเป็นอย่างนี้ก็ทําให้มันเขา ว, ว่าสัมปชัญญะหมายถึงก็รู้ทั้งหมดไม่ใช่รู้ที่มืออย่างเดียวขณะที่คุณยกมือน่ยก็เรารู้ทั้งหัวจุดเท้าว่วาร่างกายเป็นไงตอนนี้มันง่วงก็ให้รู้ว่า ง, ง่วง แต่เจริญสติแล้วง่วงก็ไม่รู้ตัวเนี่ยสัมผัสย่เกิดไหมไม่เกิดเพราะแก้ไม่ได้ปัญญาไม่เกิดเพราะปัญญาพร้อมที่เป็นสัมผัสย่พร้อมที่จะเป็นปัญญาเจริญสติอยู่แต่ปัญญาไม่เกิดเพราะอะไรเพราะยังไม่แปลงเป็นสัมผัสญ่ไม่รู้ตัวทั่วพร้อมความปวดตรงนั้นก็ไม่รู้ตัวง่วงอยู่ก็ไม่รู้ตัวคิดอยู่ก็ไม่รู้ตัวเพราะมันแปลงเป็นสัมผัญญ่าไม่ได้ทั้งท่านที่ยกมืออยู่นะ มันแปลงเป็นสมัจจยะไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่รู้ทั้งหมดมารู้ส่วนใดส่วนหนึ่งยกก็รู้แต่ท่มือแต่นั่งตรงนี้ง่วงก็ยังไม่รู้ตัวพอง่วงไม่รู้ตัวปั๊บปัญญาเกิดไหมเขาไม่เกิดก็แก้ไขไม่ได้นี่เรียกว่าจเจริญแต่สติเป็นมิจฉาสติมันก็ไปเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิทำให้เราเลอะเลือนขาดทั้งสมัจจยะและสติในที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าคนประฏิธรรมมากๆทําผิดมันเพี้ยนใช่ไหมก็คือลักษณะอย่างนี้ แต่ถ้าคุณเจริญสติอย่างถูกต้องสัมมาจถูกต้องมันไม่เพี้ยนมันมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือ ง, งทางสติปัญญาเข้มแข็งทางกายและใจรู้เหตุรู้ผลรูล้ตัวรู้ประมาณรู้ ก, การรู้บุคคลรูช้ชมุมชนรู้บริษัทว่าอันไหนคอานไหนไม่ควรใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าคุณไม่เป็นสมาถสถติแล้วคุณก็เลอะเทอะเลื่อนเลือนทาให้เข า, เขาตําหนิดได้ว่าคุณไปปฏิบัติทำมาอย่างไงคุณถึงเป็นได้ขนาดนี้คุณเลิกปฏิบัติคุณปฏิบัติไปคุณเป็นบ้าก็น้าเขาว่านะใช่ไหม เพราะอะไรพามันทำไม่ถูกนะดังนั้นก็เวลาหมดแล้วเนาะข้อขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษา เ, าเรียนรู้ทำความเข้าใจความรู้สึกตัวให้ชัดเจนตื่นรู้อย่างสบายๆและปลอดโปร่งเบิกบานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทน เจ็ดโมงแล้วเราจะต้องอ่ ะ, อะช้าไม่ได้นะหลวงพ่อเป็นคนวัย <laughs>